พรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สีกันยายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญกัน เพราะบุญนี้เป็นทรัพย์ของเราที่อย่างแท้จริงเราคือใครเราคือใจใจคือใครใจคือร่างทิพย์ร่างทิพย์นี้ไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับร่างกายร่างกายของเราทรมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจึงมีรูปมีร่างแต่ร่างของเราคือร่างทิพย์นี้ ไม่มีรูปไม่มีร่างร่างทิพจึงไม่มีวันตายส่วนร่างกายนี้มาทํามาจากดินน้ํำลมไฟสักวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟเวลาดินน้ําลมไฟออกจากร่างกายเราก็เรียกว่าร่างกายตายแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปเสียดาย เพราะเราคือร่างทิพย์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ร่างทิพย์ของเรานี้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างทุกข์อยู่อย่างวุ่นวายใจก็อยู่ที่ว่ามีบุญหรือไม่มีบุญถ้าไม่มีบุญก็จะอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนอยู่แบบคนขอทานอยู่แบบคนติดคุกติดตารางแต่ถ้ามีบุญก็จะอยู่แบบเศรษฐี พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาทําบุญเพื่อร่างทิพย์ของเราร่างทิพย์กายทิพย์ของเรานี้เวลาไม่มีร่างกายก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งเวลาเราต้องการอะไรเราก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาแต่เวลาที่เราไม่มีร่างกายถ้าเราไม่มีบุญ เราก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราก็จะอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนติดคุกติดตารางแต่ถ้าเรามีที่พึ่งมีบุญเราก็จะอยู่อย่างมหาเศรษฐีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาทำบุญกันบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันทำบุญ1ิบประการนี้พอแล้ว ไม่ต้องไปทาบุญอย่างอื่นอย่างนั้นขอให้เรามาศึกษาว่าบุญที่เราต้องทํากันนี้มีอะไรบ้างบุญที่เราถือว่าเป็นบุญหลักคือต้องทําเป็นประจําเหมือนกับอาหารข้าวหวานที่เราต้องรับประทานการประจำํำแล้วก็มีบุญที่เป็นบุญเสริมบุญที่ไม่ต้องรับประทานไม่ต้องทําประจํานำ ทำไปตามโอกาสตามวาระตามเหตุการณ์เหมือนกับอาหารเสริมต่างๆที่เรารับประทานก็ได้ไม่รับประทานก็ได้แล้วแต่ว่ามีหรือไม่มีถ้ามีก็รับประทานเช่นขนมผลไม้อะไรต่างๆเครื่องดื่มต่างๆถ้ามีเราก็รับประทานไปถ้าไม่มีเราก็รับประทานอาหารหลักคือข้าวกับข้าวกับปลากับข้าวนี้ ก็พออยู่ได้ชั้นใดบุญนี้ก็มีอยู่สองส่วนบุญหลักกับบุญเสริมบุญหลักที่เราควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆ mm. เหมือนกับการรับประทานอาหารข้าวหวานอยู่เรื่อยๆ mm. ก็คือหนึ่งบุญที่เกิดจากการทำทานทานก็คือการให้ให้ข้าวของเงินทองให้สิ่งต่างๆที่เรามีให้แก่ผู้ที่เขาไม่มี ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรียกว่าเป็นการให้ทาน เ, เมื่อให้ทานแล้วก็จะเกิดบุญเกิดทรัพย์ภายในเกิดความสุขเกิดความอิ่มเกิดขึ้นมาภายในใจความสุขความอิ่มนี่ก็เป็นเหมือนกับเงินทองนี่แหละเพราะเวลาที่เราต้องการความสุขต้องการอิ่มเราก็เอาเงินทองไปซื้อข้าวของมารับประทาน ไปซื้อสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทองของร่างทิ่ของกายทิ่ของพวกเราเราควรที่จะทำบุญกันถ้าทำได้ทําทุกวันทำมากทำน้อยไม่สำคัญข้อสาคัญควรจะทำทุกวันเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานมากรับประทานน้อยรับประทานอาหารแพงหรืออาหารถูกก็ไม่สาคัญ ก็สำคัญขอให้ได้รับประทานทุกวันเพื่อร่างกายจะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงเพื่อร่างกายจะได้อยู่อย่างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดใจของเราคือร่างทิพย์ของเราก็ต้องการบุญเหมือนกันบุญที่เราต้องทำอยู่เป็นประจำก็คือการทำทางเราควรจะให้ให้มากให้น้อยก็ไม่เป็นไร มีมากก็ให้มากให้น้อยมีน้อยก็ให้น้อยเช่นธรรมเนียมของชาวพุทธเราก็จะนิยมใส่บาตรกันเวลามีพระเดินมาผ่านที่บ้านทุกวันก็จะมีการใส่บาตรอยู่ทุกๆวันใส่บาตรทุกวันก็จะได้ทำบุญทุกวันใส่มากใส่น้อยก็ได้จะใส่ข้าแม้แต่ข้าวทับพีเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้ใส่ เหมือนกับกินอาหารกินอาหารสักคำสงคำก็ยังดีกว่าไม่ได้กินเลยดังนั้นขอให้เราฝึกหัดนิสัยการให้ให้การให้นี้ก็มีให้ได้หลายอย่างให้เงินทองให้ข้าวของให้ความรู้ถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีข้าวของอะไรถ้าเรามีความรู้เราก็ให้ความรู้เช่นเราสอน พิเศษให้กับเด็กนักเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยที่เราไม่เก็บสตังให้ฟรีสอนฟรีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกัน <Yeah. S 1> นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองเพียงอย่างเดียวถึงจะทำบุญได้ <Yeah. S 1> เรามีอะไรที่เรามีเกินเราก็ทำไปถ้าไม่มีให้จริงๆก็ไม่ต้องให้ ไม่รอเวลามีแล้วค่อยให้ต่อไปสำหรับคนที่มีที่อยากจะทำทุกวันแต่ไม่มีพระมาบ้านหรือผ่านาทางบ้านถ้าอยากจะใส่บาตรกับพระก็เอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรนี้ใส่กระป๋องไว้ใส่กระปุกไว้ก็ได้ใส่ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยพอมีเวลาว่างมาวัดก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้มาทาบุญที่วัดต่อ อันนี้ก็จะเถือว่าได้ทำบุญทุกวันเหตุที่เราต้องทำบุญทุกวันเพราะจะทำให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วจะทำง่ายพอเป็นนิสัยแล้วมันจะทาง่ายแต่ถ้ามันไม่เป็นนิสัยนี้จะทายากเพราะความตันหนีมันจะคอยดึงไว้ไม่อยากให้เราทำบุญคนที่นานๆทำบุญทีนี้เวลาจะทำบุญแต่ละครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความตหนี ต่อสู้กับความขุ่งแต่คนที่ทาบุญอยู่เป็นประจำถือว่าเป็นหน้าที่เหมือนกับเป็นการรับพระนาอาหารเหมือนกับเอาเงินเข้าธนาคารเวลาที่เราออกจากโลกนี้ไปเราจะได้เอาเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารติดตัวไปกับเราได้ดังนั้นขอให้เราฝึกนิสัยให้อยู่เรื่อยๆให้อยู่บ่อยๆให้มากให้น้อยไม่เป็นไร ขอให้ได้ให้ถ้าไม่มีจริงๆก็ร อ, อไว้ก่อนรอให้เวลาที่เรามีให้แล้วค่อยให้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาทําบุญการทําบุญการทํา ท, ทานนี้ไม่ได้ให้เราไปหาเงินมาเพื่อมาทําบุญทําทานแต่ให้เราทําเพราะเรามีเหลือเฟือเช่นเราไปทํางานเพื่อไปหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่หาได้มามากเกินที่เราจะใช้ได้เราก็เอาเงินส่วนเกินนี้ไปทําบุญถ้าหาไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ยังไม่ต้องทําบุญทําบุญอย่างอื่นได้เพราะบุญนี้มีหลายชนิดด้วยกันชนิดที่สองที่เราทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็คือบุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปการไม่ทําบาป ค, คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมางี่คือสิ่งที่เราทําได้ง่ายเหลือเกินการไม่ทําบาปนี้อย่างตอนนี้ญาติโยมก็ไม่ได้ทําบาปเลยนั่งเฉยๆนี่มันง่ายกว่าการไปทําบาสนี่เวลาไปทําบาปนี้จะต้องไปดูล้านเราว่าของที่เราจะขโมยอยู่ตรงไหนเจ้าของเขาจะอยู่หรือเปล่าอยู่เวลาใดหรือไม่อยู่เวลาใด แล้วเวลาถึงเวลาก็ต้องย่องไปเอาของของเขามาการทําบาปนี้มันยากกว่าการไม่ทําบาปเพราะการไม่ทําบาปก็คือการให้เราอยู่เฉยๆนี่เองอย่างตอนนี้เรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ทําบาปแล้วเราได้บุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปบุญที่ทําให้เราไม่ทําบาปจะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ร้อน แล้วก็ไม่ต้องไปใช้โทษถ้าเราทำบาสนี่เราอาจจะจับไปติดคุกติดตารางได้ถ้าเราไม่ถูกจับไปแต่เวลาตายไปเราก็ต้องไปติดคุกตารางในโลกทิพย์ตารางคุกตารางในโลกทิพย์ก็คือการไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกเนี่ยนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปก็ไม่ต้องไปติดคุก ในโลกทิพย์แล้วก็ไม่ต้องติดคุกในโลกของมนุษย์เพราะเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายนี่คือบุญข้อที่สองทำแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจปลอดภัยจากการที่จะต้องไปติดคุกติดตารางทั้งในโลกนี้และในโลกทิพย์ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกนอกจากนั้นก็ยังมีบุญข้อที่สาม ที่เราไม่ต้องใช้เงินทองบุญข้อที่สามนี้คือบุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจของเราจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับของต่างๆที่เราเอามาพัฒนากันเช่นเรามีที่ดินถ้าเราปล่อยทิ้ไงไว้เฉยๆมันก็ไม่มีคุณค่าราคาถ้าเราเอามาสร้างโรงแรมสร้าง สถานบันเทิงสร้างศูนย์การค้ามันก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราเอามาพัฒนาใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นการภาวนานี้จะทำให้ใจของเราได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อันนี้เรียกว่าภาวนาอันนี้เป็นการบุญที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีบุญอันไหนที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นอกจากการภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาแปลว่าทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาต่อ วิปัสสนาก็คือทำใจให้ชลาทำใจให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นเหตุก็ระงับเหตุนั้นเมื่อไม่เมื่อระงับเหตุนั้นได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญทั้งสานี้เรียกว่าเป็นบุญสำคัญบุญหลัก ที่เราควรที่จะทำศีลนี่เราควรจะรักษาไม่ควรทำบาปตลอดเวลารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มีเวลาว่างก็นั่งสมาธิกันเวลาที่เรานั่งก็เช่นตอนก่อนนอนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อใช้ให้เกิดปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทาให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกัน ทำก่อนนอนทำหลังจากตื่นขึ้นมาถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะได้สะสมบุญหลักที่จะทำให้เราตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปจนหมดไปได้ในที่สุดบุญข้อที่สที่เป็นบุญที่สาคัญที่เราควรจะทำอยู่บ่อยๆก็คือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังทำได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการ ได้ฟังธรรมได้ศึกษาคาสอนจะทำให้เราฉลาดจะทำให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีหรืออะไรไม่ดีจะทำให้เรารู้จักนาลกรู้จักสวรรค์รู้จักการเวียนว่ายตายเกิดรู้จักการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราจะรู้จักเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราจะรู้จักเหตุที่จะทำให้เรา ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่คือบุญสีข้อที่สำคัญที่เราควรที่จะทำอยู่บ่อยๆฟังเทศบ่อยๆเวลาชั่วโมงนี้อา่านหนังสือธรรมะฟังซีดีหรือเปิดอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีฟังได้ในหลา ย, ลายทางด้วยกันขอให้เราฟังฟังแล้วเราจะได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สิ่งที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องต่างๆที่เราสงสัยอยู่เช่นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือไม่เรื่องของการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่เรื่องของการไปเกิดในอบายมีจริงหรือไม่อะไรทำให้เราไปเกิดในอบายอะไรทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ ถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะหายสงสัยแล้วจะทำให้เรานี้มีปัญญามีความฉลาดและทำให้ใจเรามีความสุขนี่คือการประโยชน์ของการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี่คือบุญสี่ข้อที่เราควรที่จะกระทาอย่างสม่ำเสมอทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม ส่วนบุญที่เราทำไปตามโอกาสทำบ้านก็ได้ไม่ทำบ้านก็ได้แล้วแต่โอกาสถ้ามีโอกาสก็ทำถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำเช่นบุญที่เกิดจากการอุทิศเวลาเราทำบุญนี้เราได้บุญเราสามารถอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เช่นคนที่เรารักเราเคารพเราอยากจะส่งบุญไปให้เขาเพื่อเขาตกทุกข์ได้ยาก เขาก็จะได้อาศัยบุญของเราช่วยเหลือให้เขาอยู่อย่างสบายได้เรียกว่าบุญอุทิตยอย่างเวลาญาติโยมทำบุญเสร็จพระสงฆ์สวดอนุโมทนาญาติโ ย, ยมก็กดน้ากันอันนี้เรียกว่าเป็นการอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแนละ้วนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศแล้วบุญข้อต่อมาก็คือ บุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนากับการทำบุญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาทำบุญเราก็อนุโมทนาสาธุยินดีไปกับการทำบุญเราก็จะได้บุญคือได้ความสุขใจนี่ก็เป็นบุญอีกที่ทำตามโอกาสเวลามีคนรู้จักการเขาทำบุญเราก็ร่วมทำบุญไปกับเขาอนุโมทนาไปกับเขาเราก็จะได้บุญไปกับเขาด้วย แล้วบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินทองไปทำบุญทาทานแต่เรามีเวลาว่างเราก็ไปทำงานอาสาสมัครให้กับองค์กรสาธารนณะกุศลก็ได้เช่นไปช่วยเขาเก็บศพไปช่วยเขาร่างป่าชา หรือไปวัดก็ไปช่วยกันกวาดวัดล้างห้องน้ําล้างถ้วยล้างชามงานเหล่านี้ทําโดยที่เราไม่ได้เอาเงินทองเป็นผลตอบแทนหรือมีใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันเห็นคนจลาเดินข้ามถนนก็ช่วยคนจลาเดินข้ามถนนเห็นคนตาบอดมองไม่เห็นทางก็ช่วยเขาอย่างนี้เรียกว่าบุญเป็นบุญ จะทําให้เรามีความสุขแล้วบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากความมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะเคาวรวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าวต่อผู้หลักผู้ใหญ่เช่นบิดามารดาปุยญาตายายครูบาอาจารย์<ม>เราต้องอ่อนน้อมต้องให้ความเคารพอย่าก้าวร้าวอย่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้เรา มีความเชื่อฟังในโอวาทของคำสั่งสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขผู้ใหญ่เขาก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปก้าวร้าวก็จะทำให้เรามีความทุกข์แล้วจะทำให้ผู้ใหญ่ก็มีความทุกข์ไม่สบายใจดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญทั้งๆโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ให้เรามีสัมมาคารวะ มีรู้จักที่สูงที่ต่ำมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าวนี่คือบุญที่เกิดจากการมีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะและบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการามีความเห็นที่ถูกต้องการทำความเห็นให้ถูกต้องนี้สำคัญ เพราะความเห็นของเรานี่เป็นเหมือนแสงสวา่างหรือเป็นผู้นําทางชีวิตเราถ้าเราเห็นสิ่งไหนว่าถูกเราก็จะทำสิ่งนั้นถ้าเราเห็นสิ่งไหนว่าผิดเราก็จะทำสิ่งเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นเช่นถ้าเราเห็นว่าการทำบาปนี้มันไม่ถูกทำแล้วผิดจะทำให้เกิดโทษเราก็จะไม่ทำถ้าเราเห็นว่าการทำบุญนี้เป็นประโยชน์เราก็จะทำ แต่เราจะรู้ว่าเรามีมีความเห็นที่ถูกต้องได้อย่างไรเราก็ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เขาเกิดมาก่อนเราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่ได้ศึกษาที่ได้รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีเราก็ต้องหมั่นศึกษาหมั่นฟังคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ เราก็จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเราก็อาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เช่นคนที่ไปเห็นว่า <S 1> <S 1> การดื่มสุรานี้เป็นของดี <S <S นก็จะไปดื่มสุราแล้วก็จะต้องรับโทษจากการดื่มสุราหรือไปเล่นการพนันนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะอาจจะไปเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีก็ได้คนที่ไปทำบาปนี้เขามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเขากลับไปเห็นว่าการทำบาปดีเขาถึงทำบาปกันแต่คนที่มีความเห็นที่ถูกต้องเขาจะเห็นว่าการทำบาปไม่ดีเมื่อเขาไม่ทำบาปเขาก็ไม่ต้องไปใช้โทษแต่คนที่ทำบาปตายไปแล้วก็ต้องไปใช้โทษไปเกิดในอบาย อยู่ในโลกนี้ก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปเข้าคุกเข้าตารางได้ทำไมคนพวกนี้เขาถึงเปฏติคุกกันก็เพราะเขามีความเห็นไม่ถูกต้องนั่นเองเขาไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเขากลับไปเห็นว่าการทำผิดกฎหมายดีทำแล้วจะได้เงินได้ได้ร่ำได้รวยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะถูกจับไปขังคุกขังตารางได้ นี่คือบุญอีกอย่างนีเรียกาการมีความเห็นที่ถูกต้องและบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นให้ความรู้ทางธรรมะก็คือรู้เรื่องบุญต่างๆอย่างที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราได้ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รู้จักธรรมะเวลาใครเขามีความ เดือดร้อนเราก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปสอนเขาได้สอนให้เขามีความสุขได้นี่คือบุญทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำกันทำบุญทั้งสิบข้อนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปทำบุญนอกจากนอกของพระพุทธศาสนาเพราะอาจจะไม่เป็นบุญแต่บุญที่พระเจ้าสอนนี้เป็นบุญเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริง ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราทำบุญสิประการนี้ได้ว่าเวลาตายไปเราจะไปเกิดที่ดีไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆและไปถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญ ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ทาก็ขอให้ท่านจงน้อมเอาไปศึกษาเอาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วผลที่ดีที่เลิศก็จะเป็นผลที่เกิดตามมาต่อไปการแสดนงนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระสีรัตนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ